ขอโนอบน้อมต่อคุณปรตัตน์ตัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์ขอากราบพระอาจารย์ทรงศินป์พระอาจารย์วัฒนชัยเพื่อจะทำใมทุกท่านจะเดินในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกค น, นช่วงนี้ก็อีกไม่กี่วันนะก็จะออกพรรษานะไม่ถึงประมาณแค่ครึ่งเดือ น, นก็ ผ่านไปเร็วเนาะเหมือนอย่างที่พุทธสภาสิตที่ตัดในบทที่บรรพชิตนะควรพิจารณาเนืองๆสิบอย่างนะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก็เ <c oughs> อาไว้เตือนตัวเองบ่อยๆกับผมเองหรือว่าอาตมาเองก็ ศัยว่าเออบทนี้เนี่ยเป็นบทที่ที่ชอบบทหนึ่งเลยนะบทบันทชิต้องพิจารณาตัวเองอยู่เสมอทั้งสิบข้อเราจะเพาะข้อสิบแปดนะ อ, อันคืนล่วงไปล่วงไปบร น, นี้เราทำอะไรอยู่นะทำให้เราได้ได้ไดตระหนักว่าเออวันเวลามันผ่านมันผ่านไปเร็วมากในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเร็ว เ, วเนาะ นะตื่นขึ้นมาตอนเช้านะไม่นานแล้วก็ทํานั่นทํานี่นินนดๆหน่อยๆก็ถึงตอนกลางคืนถึงตอนจำวัดแล้วนะในการได้งานก็ไม่ได้มากมายนักนะถ้าเป็นราวาสจะต้องเร่งรีบในการออกไปทำงานนะกลับมาก็เหนื่อยล้านะ กินข้าวกินปลาก็ดูโทรทัศน์พักผ่อนแล้วก็นอนนั่นวิถีของคนทั่วไปที่เขาต้องทำงานกันวันละแปดเก้าชั่วโมงนะนะเพื่อหาเงินนะแต่วิถีของคนที่อยู่ในวัดนะหรือวิถีของผู้ปฏิบททัติธรรมเราก็มีงานเหมือนกันเนะถือว่าเป็นกิจนะกิจที่เราต้องทำเป็นประจำทุกวันนะก็ ตั้งแต่ตื่นตื่นตอนเช้าทำกิจวัตรนะในการทำวัดเช้า ก, อก็อนุโมทนากับหลายๆท่านนะที่ที่ทำกิจตรงนี้สม่าเสมอนะการบินทบาตก็เป็นกิจวัตรหรือการทำครัวการดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายในวัดนี่ก็เป็นกิจวัตรนะเป็นกิจของคนที่อยู่วัดพูดง่ายๆก็ไดนะ้กิจวัตรก็คือกิจของคนที่อยู่วัดนะั่นแหละ อันนี้ไปในวัดนะั่นนะก็พวกนี้เป็นกิจกิจการงานการต่างๆที่เราต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนเนาะเกี่ยวข้องกับสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราก็ทำและที่จริงมันก็มีกิจอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองก็เป็นกิจที่เราต้องทำให้ถูกเหมือนกันเพราะถ้าเราเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองไม่ถูก มันก็ทาให้เราเกิดความทุกข์นะกิจอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นกิจที่เราต้องเกี่ยวข้องกับกับความจริงสูงสุด4ประการก็ไดนะ้ความจริงสูงสุด4ประการเรียกว่าอริยสัจสี่คือมีทุกข์มีสมุทยัยสาเหตุของความทุกข์มีนิโรธนะความดับแห่งความทุกข์มีมรรคก็คือทางแห่งความดับทุกข์ กิจสอย่างเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนะีไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตหรือคารวาสต้องทําให้ถูกถ้าเราทําไม่ถูกแล้วมันก็เกิดความทุกข์นะหรือว่าเดินผิดทางก็ได้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนเราในเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของความทุกขนะ์เรื่องของความทุกข์ก็คือท่านก็บอกว่าความทุกข์คืออะไรความทุกข์ก็คือกายแล้วก็ใจนี่แหละนะหรือจะพูดภาษาพระก็เรียกว่า รูปธรรมแล้วก็นา ม, มาทำนะนี่คือนี่คือตัวทุกขนะ์ตัวทุกข์นี้เราต้องเกี่ยวข้องแบบไหนพระเจ้าบอกว่ากิจที่ต้องทํากับทุกข์ก็คือปริญญานะปริญญาภาษาบาลีเป็นแบบพูดเขา่าปริญญานะแต่ภาษาไทยเราก็แปลว่ารูนะ้ปริญญาแปลว่ารูนะ้บางที่อาจจะแปลคําว่าเป็นกําหนดรู้อันนี้นก็แล้วแตนะ่แต่จริงกิจก็คือว่า กิจที่เราจะต้องอรู้ทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากทุกคือสิ่งที่ต้องรู้นะรู้ไม่ใช่ว่าเราหนีทุกนะใช่คนส่วนใหญ่พอรามีทุกนะหนีทุกนะเวลามีทุกก็กนบะทุกนะนะเวลามีทุกก็ไม่อยากที่จะเรียนรู้จากความทุกแต่พระเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราเลยว่า ทุกคือสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้หรือต้องนะศึกษาเขานะไม่ใช่หนีเขานะไม่ใช่กบเขาเพราะนั้นกายแล้วก็ใจนี่แหละก็คือตัวทุกข์เราเลยต้องมาเรียนรู้จากกายและใจนะหรือลูกประธรรมแล้วนามธรรมานี่แหละนะเขาคือตัวทุกข์เขาคือตัวที่แสดงนะเขาคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญมากทุกนี่เรา ไม่ใช่เป็นตัวคนละทุกแต่เราต้องเรียนรู้จากความทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะเรียนรู้ว่าออกําหนดรู้ว่าตอนนีนะ้ทุกมันทําอะไรอยู่มันปรากฏอย่างไรอยู่แล้วมันก็ดับไปอยู่นะทุกคือกายทุกคือใจการปฏิบัติธรรมก็คือการกลับมามารู้รู้ทันกายรู้ทันใจนี่แหละก็ถูกต้องตามที่พระเจ้าทสอนนะนะทุกคือสิ่งที่ต้องรู้นะ เรากลับมารู้ที่ปัจจุบันธรรมเนี่ยคือกิจที่เราต้องทําให้ถูกนะกลับมาดูที่ปัจจุบันไม่ใช่ไปดูทุกตอนเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปดูทุกตอนที่เราเป็นเด็กนะแต่เรามารู้ทุกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรารู้ว่ากายนะมันอยู่ในสภาวะแบบไหนอยู่ในอาการแบบไหนนะเราดูไปไปบ่อยเราก็จะเห็นว่าอ๋อกายนี้มันไม่ได้มีความสุขเนาะนะ กายเนี่ยยิ่งามาว่าหลายคนที่อายุมากแล้วก็ยิ่งเห็นว่ากายนี้มันทุกข์มากขนาดไหนนะอมืมันมีโครคภัยไข้เจ็บนะมันมีความปวดความเมื่อยมันมีความหิวนะที่จริงข้างในกายนี้นะมันก็ไม่ได้ประกอบมันก็ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่สวยงามนะมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ภายในของมันนะกินอิ่มแล้วก็ต้องขับถ่ายนะอื ทำงานมากๆก็เหนื่อยล้าก็อยากจะพักผ่อนนะอันนี้ร่างกายของเรามันเป็นตัวทุกข์นะถ้าเราสังเกตศึกษาโดยดีเนะี่ยกายนี้มันมันเป็นตัวดีมันเป็นตัวสุขที่ไหนนะมันเป็นตัวทุกข์มัเป็นตัวที่เรียกว่าไม่ควรที่จะยึดถือนะเย็ะมากกว่านะถ้าเราสามารถศึกษานะถึงกายนะว่ามันเป็นตัวทุกข์อย่างไรได้จริงๆเนะี่ย จิตมันก็จะแจ่มแจ้งมากขึ้นเมื่อมันเห็นว่ากายนะเอากายของเราเนี่แหละที่ศึกษาเนี่ยมันเห็นว่ากายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีแต่ตัวทุกข์เนาะนะมันมีแต่ตัวทุกข์เจ็บปวดเมื่อยหิวนะบังคับบัรชามันก็ไม่ได้เมื่อมันศึกษาความจริงดัแจ่มแจ้งมากขึ้นเนี่ยมันก็ค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นนะใน ในกายในตัวตนเนี่ยนะพอเม า, าไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือคลายการหลงในรูปของตัวของเราเองแล้วมันก็จะคลายการยึดมั่นถือมั่นการหลงในรูปของสิ่งอื่นของคนอื่นไปด้วยนะามาเรียนรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งฉลาดมากนะท่านสอนให้เรากลับมาเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวของเราที่สุดก็ ค, คือกายของเราเนี่แหละนะพอเราเรียนรู้กายได้มากขึ้นเนี่ยแหละ มันก็จะทาให้เราคลายความกำหนัดนะแต่ถ้าเราเรียนรู้กำหนดบังคับนะหรือว่าพยายามจัดการมันให้มันดีอย่างเดียวแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะของกายนี้ของใจนี้เนี่ยมันปฏิบัติแล้ผิดทางนะท่านให้เราศึกษาให้รู้จักความจริงว่ากายนี้มันเป็นตัวทุกข์อย่างไรนะใจก็เหมือนกัน สภาพว่าที่เป็นนามนธรรมก็เหมือ น, นท่านก็สอนให้เรารู้เหมือนกันนะนามนธรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะเวทนาของของใจนะเวทนามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเวทนาของกายอนะีกส่วนหนึ่งเป็นเวทนาของใจส่วนที่เป็นเวทนาของกายนะี่มันที่จริมันบวกไปอยู่ในส่วนของของการรู้รู้กายนะเป็นหลัก ความเจ็บความปวดความเมื่อยความหิวนะอันนั้นเป็นเรื่องของของรูปนะแต่เวทนาของใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนกันเช่นบางครั้งเราก็รู้สึกสุขบางครั้งเราก็รู้สึกทุกข์บางครั้งก็รู้สึกเฉยเฉอันนี้คือเรียกว่าเวทนามันเกิดขึ้นกับใจนะแต่จริงเวทนาไม่ใช่ใจนะนะมันเหมือนกับเสื้อผ้านะที่มันมา สวมทับอยู่ในราบนะเสื้อผ้ากับร่างกายก็เป็นคนละส่วนกันแต่มันแค่มาสวมใส่ชั่วคราวเนาะพอความสุขเกิดขึ้นก็ทําให้หน้าตาเรายิ้มแย้มแจ่มใสความความทุกข์เกิดขึ้นในใจความโกรธเกิดขึ้นในใจก็หน้าดําำําเครียดนะหรือว่ากลายเป็นหน้ายักไปเลยนะอันเนี้ยมันมาสวมชั่วคราวเท่านั้นนะเข้าใจไห ถ้าเรามีความสุขเราก็ยิ้มเราก็สดใสถ้าเรามีความทุกข์เราก็เศร้าหมองแล้วก็หน้าตาดูไม่ดีอันนี้ความสุขความทุกข์มันมาย้อมใจนะพอใจมันโดนย้อมด้วยความสุขความทุกข์ความชอบความไม่ชอบใจขึ้มาย้อมไก่อีกทีหนึ่งนะให้พูดให้ทำนะไปกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยการที่เรา กลับมาเรียนรู้ก็คือการมีสติกับมารู้ทันว่านะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจนะเรารู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไออันเนี้ยมันเป็นแค่ความรู้สึกแต่จริงมันไม่ใช่ใจจริงๆนะถ้าเราสังเกตดิมันเป็นแค่ความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นกับใจความรู้สึกต่างๆก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เกิดความรู้สึกใหม่ มาแทนที่แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะความรู้สึกหรือว่าอารมณ์หรือว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยไม่ต่างจากแม่น้ําเลยนะไม่ต่างจากแม่น้ําถ้าเรานั่งหรือว่ายืนอยู่บนฝั่งน้ำเนาะแล้วก็มองไปตามแม่น้ําที่มันมีน้ําไหลผ่านไปเรื่อยๆเนะี่ยน้ำที่เราเห็นตรงที่เรายืนอยู่นั่งอยู่ตรงนั้น มันก็ผ่านไปแล้วก็มีน้ำํำมาใหม่แทนที่ไปเรื่อยเป็นสายน้ําที่ไหลต่อยอดไปเรื่อยไหลไปเรื่อยเหมือนถ้าแบบภาษาพวกปรัชญานะเขาก็จะพูดว่าถ้าเราจุม่มจุ่มนะจุ่มเท้าลงไปในแม่น้ำนะเราก็สัมผัสน้ําที่มันแตกต่างกันไปเรื่อยๆเราจุ่มน้ําจุ่มเท้าลงไปในน้ําแม่น้ําสายเดียวนี่แหละ แต่ที่จริงน้ําที่เราจุ่มมันแตกต่างมันผ่านไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจิตใจมันผ่านความคิดผ่านความรู้สึกผ่านอารมณ์เนี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆ เ, เราก็เพียงแค่สังเกตดูออันนี้นาะพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้เรารู้จักนะให้เรารู้จักอานามาทําเช่นเมทนาสุขทุกข์หรือว่าเฉยแล้วก็ผ่านมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเอยนาะนะ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็เอาแน่ไม่ได้เนาะบางทีเห็นหน้าคนนี้ชื่ออะไรนะก็คิดไม่ออกนะบางทีเราจะไปทำอะไรนะบางทีก็หลงหลงดืมๆืมนะบางทีก็ปฏิบัติทำเดินจกมืวดีอา้าความคิดก็แวบเข้ามาเรื่องงานอ้อเราดืมทำนั่นทำนี่เนาะบางทีสัญญามันก็มาเตือนอา้าเดี๋ยว วันนี้ต้องทํากิจ น, นี้เนาะน่ะแม้สัญญาบางทีมันก็มาของมันบางทีมันก็ไม่มานะ่ะก็บังคับไม่ได้เนาะนะนะบางทีเราทุกเนาะเวลาเราจําชื่อใครไม่ได้เนี่ยบางทีไม่อยากไปคุยกับเขานะกลัวปล่อยไก่นะอันนี้ก็ความกลัวเนี่ยมันทําให้เราทุกนะอนะหรือบางคนก็หลงไปกับสัญญาก็มีเช่นเดินจงกลมอยู่ดีดนะยกมืออยู่ดีๆ นะตั้งใจจะปฏิบัติธรรมพอเดินไปสักพักนะอารมณ์มันเริ่มนะมันเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวความคิดเรื่องการเรื่องงานมันแว บ, บเข้ามานะสัญญามันจำได้ว่าเดี๋ยววันนี้ต้องทำอะไรนะจิตก็เลยไปคิดเรื่องงานให้มันเสร็จซะนะก็เลยว่าจะปฏิบัติธรรมก็เลยไปอยู่กับความคิดแทนนะเวลาที่เราว่าจะปฏิบัติธรรมสักครึ่งชั่วโมงอ่ะก็เลยไปอยู่กับความคิดทั้งยี่สิบนาทีแล้ว ก็เลยแทบไม่ได้ปฏิบัติน ะ, นะพอไปปฏิบัติงานไปทํางานอีกก็สัญญาก็า จ, จะมาคิดอีกว่าต่อไปต้องไปทํานั้นอีกจิตก็ไปอยู่กับอนาคตอีกนะอันนี้เราต้องดูดีๆนะเราแค่แค่รู้นะในขณะที่เราปฏิบัติทำนะแม้เราจะมีความคิดดีขนาดไห น, นมีประโยชน์ขนาดไห น, นเราต้องรู้จักวางเขาก่อนนะเราต้องรู้จักวางเขานะ เรารู้แหละว่ามันเป็นความคิดที่ดีเป็นงานที่ต้องทำหรือเป็นธรรมะนะที่มันนึกซึ้งมีประโยชน์เรารู้นะรู้แล้วอย่าไปไหลกับเขานะมันก็เป็นการปรุงแต่งฝ่ายบวกนะปรุงแต่งฝ่ายดีก็ต้องรู้ทันมันเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าความคิดที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีคือสิ่งที่เราต้องละต้องตัดแต่ถ้ามันเป็นความคิดที่ดีความรู้สึกที่ดีเราต้องเอา เราต้องยึดเราต้องปรุงต่อนะในการปฏิบัติจริงๆพ ร, ระเจ้าสอนให้เราเพแค่รู้นะรู้ก็คือการที่เราแค่รู้ทันว่าตอนนี้มันมีมีเวทนาคือความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นในใจมีความคิดอะไรการปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นในใจหรือไม่นะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลง หรือว่าเป็นความรักความเมตตาความสงสารนะความอิ่มในบุญเหลือเกินแนวเนี้ยแล้วก็สังเกตดูอ๋อสังเกตดูที่จริงเวทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาก็แสดงความจริงนะเหมือนกันก็คือว่ามาเป็นตัวทุกนะทุกในที่นี้ก็คือว่ามันไม่สามารถอยู่ในอาการเดิมได้ทั้งวันหรอกนะไม่มีใครนะที่จะโกรธทั้งวันหรอก ไม่มีใครที่จะรักทั้งวันอันนี้คือมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นบางทีเราบอกว่าเราโกรธคนนั้นทั้งวันแต่จริงเราอาจจะโกรธเฉพาะตอนที่เราไปคิดเรื่องของเขาเท่านั้นแหละบางทีเราไปกินข้าวเราไปคุยกับคนอื่นมันก็ลืมเรื่องของเขามันก็หายโกรธไปแล้วช่วงข่าวแต่พอจิตว่าง ไม่มีอะไรทํามันก็มาหยิบความโกรธมาคิดอีกมันก็ได้โกรธใหม่มันก็ได้เหมือนโกรธข้ามวันข้ามคืนแต่จริงเราโกรธเป็นครั้งเป็นครั้งนะเรารักก็เหมือนกันนะเรารักใครชอบใครนะพอใจใครก็เหมือนกันมันก็เกิดความรู้สึกนี้เป็นครั้งเป็นขณะเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ตลอดทั้งวันนะอย่างเรามีลูกนะหลายคนไม่ลูกเราบอกว่าเรารักลูกมากที่จริง บางทีเราก็รักเฉพาะตอนที่เราเห็นหน้าเขาเราเกี่ยวข้องกับเขาหรือเราคิดถึงเขาเท่านั้นเนะแต่จริงบางทีเรามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมในบางทีก็ดืมเลยว่าตัวเองมีรูปหรือเปล่านะเนี <c> ่ย <oughs> มันก็ดืมไปลืมเรื่องความรักความชังไปขณะขณะแต่บางทีมันก็มาที่รักขณะที่รักขณะเหมือนกันเนี่ยธรรมชาติเขาสอนว่าอ่มันเป็นความทุกข์แบบนี้แหละก็คือว่ามันไม่สามารถ อยู่ในสภาวะเดิมได้นะเหมือนกับต้นไม้นะพอมันมีอายุสมควรมันก็แก่มันก็ล้มไปนะเหมือนกับส า, าลาดังนี้ก็เหมือนกันมันก็มีความทุกข์อาจจะสักร้อยปีสองรยปีผุพังนะแปรสภาพไปร่างกายของเราก็มีสภาวะที่ทุกข์นะไม่เกินร้อยปีก็อาจจะก็ต้องตายแล้ว แต่จิตใจเนี่ยมันแสดงความทุกข์ให้เห็นเร็วมากก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะความทุกข์เนี่ยมันก็เนื่องด้วยความไม่เที่ยงนี่แหละนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมมันไม่เที่ยงนี่แหละอะมันไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นความทุกข์นะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันสัมพันธ์กันเรามาศึกษาตรงเนี้แหละพอเรามาเรียนรู้นะมาศึกษามารู้กายรู้ใจ เราจะเห็นความจริงของกายของใจก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ความเป็นอนัตตาเนี่ยแหละเนี่ยถ้าเรามาศึกษามาเรียนรู้จากความทุกข์เนี่ยเราจะเข้าใจตรงนี้อันนี้แหละคือตัวปัญญาที่จะทําหรือจะนําพาให้มันพ้นจากความทุกข์ได้นะเมื่อเรามาศึกษาความจริงว่ากายว่าใจเนี่ยมันตกจุ่นในสภาวะ ของใจรักเช่นนี้นะเราก็จะมีปัญญานะในการเข้าใจว่าที่จริงนะความทุกข์หรือว่าสาเหตุของความทุกข์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความหลงนะความหลงไปยึดความหลงไปอยากนะนะความหลงในการที่ไม่รู้ทันความจริงนี่แหละนะนะมันมันก็เลยไปยึดไปอยากนะ พอยึดอยากแล้วก็เลยเกิดเป็นความทุกข์นั้นกิจส่วนที่สองที่เราต้องเกี่ยวข้องกับสาเหตุของความทุกข์ท่านบอกให้เราละนะละอะไรละความอยากทั้งสามด้านนะความอยากนะมีสามด้านก็คือกรรมกรมราคะนะความอยากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมดมต่างๆก็คือว่า ความอยากที่เกี่ยวเนื่องด้วยทวารทั้ง6นั่นแหละนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงการสัมผัสหรือว่าใจที่คิดนึกปรุงแต่งอนะัมันจะไหลไปแบบนั้นนะแต่คนทั่วไปบางทีคิดว่าการสนองความอยากคือทําให้เกิดความสุขนะแต่จริงพระเจ้าสอ น, สอนกลับกันเลยนะท่านบอกว่าพอเราสนองความอยากเมื่อไรนั่นแหละคือเหตุของความทุกข์ แต่คนทั่วไปเนี่ยมันเห็นผิดนนี้นแหละคิดว่าถานองความอยากได้ทำให้เกิดเป็นความสุขแต่จริงถ้าภาษาพากจริงความสุขก็คือด้านหนึ่งของความทุกข์นะนะด้านหนึ่งของความทุกข์ถ้าเราจับไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะใช่อยู่บางทีมันนำมาซึ่งความสุขชั่วคราวแต่ถ้าเราไม่รู้ทันว่าแม้แต่ความสุขที่เราได้สัมผัสตรงนั้น มันก็เป็นเหตุให้ความทุกขนะ์นะถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะกลับมาแว้งกัดเราเหมือนกับครูบาอาจารย์หลายท่านท่านเปรียบเทียบนะอย่างเช่นหลวงพ่อชาท่านบอกว่าเหมือนเราจับงูนะนะเราจะจับหัวงูหรือจับหางงูเนี่ยนะมันก็อาจจะโดนงูมันแว้งกัดมาได้เหมือนกันนะเราจับหางงูเนี่ย มันเหมือนอยู่ไกลจากหัวงูอยู่ไกลจากเขี้ยวจากเล็บมันนะแต่จับมันสักพักเนี่ยมันก็จะแว้งมากัดเราเนหะมือนเร า, เาสมมติเราเผากระดาษหรือเราเผาฟางนะเราจับที่อีกด้านหนึ่งของไฟเนะี่ยถ้าเราจับไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆนะไฟมันก็จะเริ่มมาไหมมาถึงมือของเราที่มันจับส่วนกระดาษหรือส่วนของฟางที่เราถืออยู่ ความสุขที่เกิดจากรูปเสียงกินรสผุดถะธรรมรมก็เป็นเช่นนั้นนะแดะ น, ะ, นะมันเป็นความสุขชั่วคราวถ้าเราไปยึดไปถือมันอยู่เนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งความทุกข์ะนะพระเจ้าก็จะสอนว่าอ๋อความอยากในการสนองตอนนี้นมันเหตุเป็นเหตุหต ข, ของความทุกข์นะอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นรู ป, ปรธรรมสักหน่อยแี่จริงความอยากมันก็มีส่วนที่เป็น นำมาทำเช่นเดกันเช่นนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาอะไรต่างๆเนะี่ยก็เป็นเหตุของความทุกข์นะนะก็พิจารณาดยแล้วลกันเรามีความอยากตรงนี้ไหมนะอยากได้อยากอะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรนะอยากเอาอะไรนะไม่ว่าจะได้ดีหรือได้ไม่ดีนะก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะหรือว่าแม้ ไม่ชอบไม่อยากนะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอานะมันก็เป็น اذ, สิ่งที่เกิดความทุกข์เนาะนะไม่อยากได้สิ่งนี้ไม่อยากเป็นสิ่งนี้นะไม่อยากจะเอาไม่อยากจะเจอสิ่งนี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะนอพระเจ้าก็เลยสอนให้เราละความอยากนะความอยากมันอาจจะมีนะแต่มีแล้วเราก็ต้องฝึกที่จะละมันนะ ฝึกที่จะละมันฝึกที่จะวางมันฝึกที่จะปล่อยมันนั่นแหละนะพวกเราถ้ายังไม่ใช่พระอาหารหันต์ก็ต้องมีความอยากนะเป็นธรรมดานะมีกิเลสตัณหาเป็นธรรมดาแต่กิจที่เราต้องทํากับความอยากให้ถูกก็คือการละมันไม่ใช่สนองมันนะคนทางโลกส่วนใหญ่คิดว่าการสนองความอยากคือเหตุของความไม่ทุกข์หรือเหตุของความสุขแต่พระเจ้าท่านสอนว่าการละความอยากนั่นแหละ คือเหตุของความไม่ทุกข์หรือว่าเป็นเหตุของความสุขที่แท้จริงนะเราต้องรู้ทันแล้วก็ละความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นความอยากที่เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมต่างๆเราต้องละมันนะเราละมันนะรู้ทุกข์แล้วก็ละนะเหตุของความทุกข์ก็คือละความอยากนะเราปฏิบัติก็เหมือนกันนะเราปฏิบัติเราก็ต้องรู้ทันนะเวลความอยากที่มันอยากจะ อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้อยากจะถึงอะไรทักอย่างเรารู้ทันนะรู้ทันแล้วก็ละมันกลับมาอยู่แค่ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรตอนนี้รู้สึกอย่างไรนะอย่าไปคิดหรือว่าอย่าไปคาดหรือว่าอยากไปจมอยู่กับความอยากที่เราอยากจะได้อยากจะถึงอยากจะเป็นอะไรทักอย่างหนึ่งนะยิ่งอยากมากนะยิ่งทุกข์มากนะ ถ้าเราปฏิบัติจริงๆเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกเลยว่าบางทีตอนเราปฏิบัติเรื่อยๆสบายๆเนี่ยมันก็รู้ตัวได้ดีเนาะมันก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่พอเมื่อไหร่นี่จิตมันเหมือนจะเอานะจะเอามรึกจะเอาผลจะเอารู้รูปรูน้ำลูนั่นรูนี่เนี่ยโอมันเครียดนะมันเครียดนะเหมือนพาตัวเองไปเดินไปชนกําแพงนะพาตัวเองไปทุกข์เองนะไม่มีใครทาให้เราทุกข์นะ เรานี่แหละทำให้เราทุกข์เองนะถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยความอยากมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละนะความยึดความถือมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละนะไม่มีใครทำให้เราทุกข์มีแต่เราเนี่ยแหละไปทุกข์ของเขาเองนะเขามาว่าเรานะถ้าเราวางใจถูกเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์นะนะเราไม่เอาตัวเอาตนของเรามารับเนี่ยมันจะมีผู้ทุกข์อยู่ที่ไหนนะ อันนี้คือเร า, าละที่ความอยากตรงนี้นะคือกิจที่ต้องทาให้ถูกกับสาเหตุของความทุกข์นะส่วนกิจส่วนที่สามเรียกว่าเป็นนิโรธนะคือความพ้นจากความทุกข์นะหรือว่าความดับทุกข์ก็ได้ความไม่ทุกข์ก็ได้นะคือสันสอนให้เห็นว่าที่จริงมันมีทุกข์นะมันก็มีความดับทุกข์อยู่มันมีความพ้นจากความทุกข์อยู่มันไม่จําเป็นว่าเราต้องอยู่กับทุกข์ตลอดนะนะ ในส่วนของความทุกข์มันก็เป็นความจริงข้อหนึ่งแต่มันก็มันก็ยังมีความจริงที่ที่เรียกว่าเที่ยงแท้อยู่อย่างหนึ่งก็คือนิพพานก็คือความไม่ทุกข์นะแต่ความเที่ยงแท้นี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดเหมือนกันนะแต่เราให้เห็นว่าในสภาวะที่มันทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์อยู่นะแต่สภาวะที่มันโกรธมันก็มีความไม่โกรธอยู่นะในสภาวะที่มันโรภ <necessary. S 2> มันก็มีสภาวะของความไม่โลภอยู่เราเข้าถึงสภาวะตรงนี้ให้ได้นะนี่คือจุดหมายนี่คือเป้าในการปฏิบัติของเราคือ네สภาวะที่ที่ไม่ทุกนะไม่โลภไม่โกรธไม่ลงเนี่แหละก็คือพ้นจากความทุกข์นี่คือเป้าหมายในการปฏิบัติของเรานาะไม่ปฏิบัติเพื่อจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้อะไรแต่ปฏิบัติให้เข้าถึงความไม่ทุกข์เนี่แหละนะความไม่ทุกข์มันจะเข้าถึงได้ด้วยอะไร ด้วยวิธีการหรือว่าหนทางที่เรียกว่ามรกเนี่ยแหละนะอริยมร์มีองค์แปดทั้งนะทั้งหมดนั่นแหละคือคือข้อปฏิบัติในการที่จะออกจากความทุกข์นะกิจที่เราต้องทำกับมร์ ก, ก็คืออะไรนะจะเดินนะกิจที่เราต้องทำกับนิโรธคืออะไรทำให้แจ้งนะเราจะเดินมรกหรือว่าเรากระทาในส่วนของผ้าของ ทางหรือวิธีการเนี่ยให้มากมันก็จะเกิดความแจ้งนะแจ้งแจ้งในที่นี้คือแจ้งประจักษ์ในใจของเราเนี่ยแหละนะไม่ใช่แจ้งแบบฟ้าสว่างนะไม่มีความมืดนะแต่จริงแจ้งก็คือใจเราแจ้งความจริงนะเราก็ถึงความจริงนั่นแหละคือมันแจ้งแจ้งด้วยปัญญานะแจ้งด้วยสติปัญญานะเข้าถึงความจริงตอนนี้ได้มันก็ไม่ทุกเนี่คือ หน้าที่ของเราต้องทำตรงนี้ก็คือจะเดินมักให้มากนะเรียกว่าทำเหตุให้มากนะวิธีการในการปฏิบัติทุกอย่างนะในชีวิตทุกวันของเราเนี่ยคือทำมักทั้งนั้นนะนะบางขณะมันก็เน้นแต่ละข้อแต่ละข้ออาจจะแตกต่างกันบ้างนะหรือมักจะว่าย่อๆก็คือแบ่งเป็นสามส่วนนะส่วนของศีล น, นะคือสํ คือกายวาจาที่เรียบร้อยเนี่ยชื่อว่าศินนะเช่นเรารักษาศินนะสินห้าสินแปดินสองร้ี่สิบข้อนะนี่ก็คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนี่แหละชื่อว่าศินนะนะอาจจะไม่ใช่สินเป็นข้อข้อแต่คือกายวาจานี่แหละมันบริสุทธิ์มันหมดจดนี่คือมีศินแล้วนะวาจาเราเป็นสุภาษิตไหมการกระทํา เป็นสุภาิเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมเป็นสิ่งทีนะ่เรียบร้อยดีงามหรือไม่นี่คือเราทำให้ถูกนี่คือศีล น, นะถ้าเรามีศีล น, นะเราก็ไม่ต้องพะวงถึงนะความความรู้สึกว่าผิดหรือว่าความรู้สึกที่เราต้องเรียกว่าดบดบซ่อนดบเรี่ยงหรือว่ารู้สึกผิดในใจของเราเองศีลนะจะทำให้เราเกิดความกล้าหาญองอาจ นะแล้วก็เกิดความเรียกว่าภูมิใจนะศีล น, นะนำมาซึ่งความสุขนําไปถึงนิพพานก็ได้นะในส่วนของสมาธิก็เช่นเดียวกันสมาธิคือจิตใจเกิดความตั้งมั่นนะเกิดความมั่นคงเกิดความไม่หวั่นไหวนะมันก็มีความสุขมีความสงบอยู่ในนั้นด้วยนะคือสิ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเหมือนกันนะทำยังไงจิตใจถึงเกิดความตั้งมั่น ไม่หวันไหวนะทาไงจิตใจถึงจะเกิดความสงบแบบรู้ตัวนะเราก็ต้องทําแบบนี้แหละเรามีกรรมฐานเรามีงานเรามีเครื่องอยู่เพื่อให้อะไรเพื่อให้ใจไม่หวันไหวนะให้มันกลับมาถ้าเหมือนกับตาชั่งเนาะะเราสิ่งของอะไรมาชั่งไว้พอเอาสิ่งของนั้นออกมามันก็จะกลับมาเลขที่เลขศูนย์เหมือนเดิมนะมันกลับมาหาความเป็นปกตินั่นะแหละ จิตมีสมาธิจิตมีความมั่นคงมันมีความตั้งมั่นก็คือตรงนั้นแหละหรือแม้ในการปฏิบัติธรรมเช่นอาจจะมีความคิดมีความหลงไปแล้วก็มีหลักในการกลับมาว่ากลับมารู้กายมารู้ใจก็คือกลับมาให้จิตมันเกิดความตั้งมั่นให้มีสมาธินั่นแหละสมาธิคือตอนนี้กลับมาหาความตั้งมั่นหาความเป็นปกติหาความมั่นคงของจิตนั่นแหละ ให้มันอยู่กับตรงนี้นะแต่ก็ไม่ใช่เป็นการบังคับให้มันอยู่กับตรงนี้ตลอดนะนะถ้าเราบังคับเนะี่ยมันก็จะเป็นสมาธิเพียงแค่สมาธิเพื่อความสงบนะสมาธิแบบสมัตอย่างเดียวนะแต่เราทำสมาธิเพื่อจะเดินเป็นฐานให้เกิดเกิดปัญญานะอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำก็คือในเรื่องของปัญญาเนี่ยแหละนะ ปัญญาเป็นเรื่องของความเห็นถูกนะนะเห็นถูกมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะเห็นอะไรเห็นเนี่แหละเห็นเรื่องอริยสัจสี่เนี่แหละนะมีความคิดก็ชอบนะถ้าจะคิดก็คิดได้นะคิดไปทางไหนคิดในการออกจากกามนะไม่ใช่คิดในการวนอยู่ในกามนะทำไงนอเราถึงจะออกจากกามได้นะเราถึงจะละกามได้วิธีการแบบไหนนะ ถ้าคิดก็คิดแบบนี้ก็ได้มันมีความหลงในนะรูปเสียงกินรสโผฏฐัพพะธรรมรมณ์ต่างๆเองมีความคิดในการที่จะออกจากมันเอออันนี้ก็ถูกนะนะในการที่จะละกามพ้นจากอํานาจของการบงคุณต่างๆ่านะหรือพอมีความโกรธเกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นในใจแล้วก็คิดที่จะละความโกรธนะคิดที่จะนะไม่ทําตามความโกรธความพยาบาทความเบียดเบียนต่้งนั้นนะ คิดที่จะให้อภัยคิดที่จะมีเมตตาเนี่ยก็คิดได้นะนะเป็นความเห็นความความคิดที่ชอบนะเป็นเป็นมรรคส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเมื่อเรามีความเห็นชอบมีความคิดชอบนะปัญญามันก็ต้อมตามมาเห็นความจริงชอบว่าทุกสิ่งทุงอย่างมันเป็นเช่นไรอันนี้คือศีลสมาธิ ป, ปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องเครื่อง ที่เราต้องฝึกหัดปฏิบัติให้มากขึ้นนะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะไปในยี่สิบสี่ชั่วโมงที่เรามีในแต่ละวันเนี่ยพยายามระ ล, ลึกถึงว่าเนี่ยวันคืนมันมันล่วงไปล่วงไปนะกิจที่เราต้องทํากับตัวของเราเองเราได้ทํามากน้อยขนาดไหนนะเราได้ทํากิจให้ถูกตามอริยสัจสนะหรือไม่นะนี่คือหน้าที่ที่เราต้องทํากับตัวของเราเองเนาะนะถ้าเราทําหน้าที่ หรือว่าทำกิจที่ทากับตัวของเราเองได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราค่อยๆนะเดินเข้าใกล้จุดหมายของการปฏิบัติก็คือนิพพานคือความไม่ทุกข์นะหรือว่าเดินออกจากความทุกข์ห่างไปเรื่อยๆนะนะนี่คือหน้าที่ที่เราต้องทำในส่วนตรงนี้แม้มีหน้าที่ที่เป็นงานการภายนอกนะก็เป็นหน้าที่เพื่อฝึกนะฝึก ในการเดินทางภายในเหมือนกันเราไม่ได้ทำแต่งานภายนอกแต่ขณะที่เราทำงานภายนอกเราก็ทำงานภายในไปด้วยนะที่จริงมันไม่ได้แยกกันในงานภายนอกหรื ง, งานภายในถ้าเราสามารถมีหลักในการปฏิบัติได้ก็สามารถทำควบคู่กันไปได้นะหรือแม้แต่ไม่มีงานภายนอกนะก็ใจก็ไม่ไปวุ่นหมกมุ่นกับสิ่งภายนอกก็อยู่กับ ในการเรียนรู้กายรู้ใจในภาคปฏิบัติเต็มรูปแบบอันนี้ก็ก็ดีเช่นกันนะเป็นกิจที่เราต้องทำกับตัวของเราเองเนาะนะวันคืนจะได้ไม่ผ่านไปร่วงไปแบบเสียเวลาเปล่านะชีวิตนี้นะไม่รู้จะเหลืออีกกี่ปีกี่วันกี่เดือนเราก็ไม่รู้เนาะพยายามมีชีวิตอย่างผู้ที่ไม่ประมาทนะทำกิจต่างๆให้สมบูรณ์ในแต่ละขณะ ในแต่ละวันให้ทีที่สุดนะเราก็จะได้ไม่เสียเสียดายนะหรือไม่ต้องไปคิดย้อนหลังว่าเออไม่น่าทำอย่างนั้นเลยไม่น่าออไม่น่าผ่านให้เวลามันผ่านไปร่วงเปล่านะเสียประโยชน์เลยนะไม่น่าเลยนะพรรษาที่แล้วว่าจะทำก็ไม่ได้ทานะก็ตอนที่บวชไม่ได้ทำนะตอนนี้สึกแล้วกลับมา ก็ยากที่จะแก้ไขแล้วนะหรือบางทีถ้าเราตายไปคิดโอ้คิดได้ว่าชาติที่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำกิจที่ถูกต้องแล้วก็น่าเสียดายเนาะนะนั่นก็ให้พวกเราได้ทํากิจของเราให้ถูกต้องในแต่ละวันแต่ละขณะให้ดีที่สุดเราจะได้เป็นผู้ที่ไม่เสียดายวันเวลาที่มันผ่านไปถ้าจะมองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเออภูมิใจนะหรือว่ามีความสุขใจที่ได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วแม้ มักผลยังไม่ประสบแต่เราก็ได้ทําเหตุที่ถูกต้องแล้วถ้าเราทําเหตุที่ถูกต้องแล้วมักผลก็ย่อมปรากฏตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติแน่นอนนะก็เพืท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมมัทยธมรมทุกท่านหรือว่านักปฏิบัติธรรมทุกคนก็ขอให้ได้ทําหน้าที่ของตนเจนกระทั่งเข้าถึงมักผลนิพานด้วยกันในปัจจุบันในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิน